ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้การที่เ จ, เจริญธรรมฐานเข้าใกล้ข้ามาแล้วแต่ว่าเป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้รับฟังเรื่องของบุคคลตัวอย่างแต่ว่าสำหรับเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างนี้อาก็อตมาจะขอมงดไว้ ตอนนี้ไปก็จะนำเรื่องของบุปกรรมของบุคคลทั้งหลายที่มีการสวยความสุขความทุกข์เกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์ตรีชานบ้างเกิดเป็นคนเป็นคนจนหรือว่าเป็นคนรวยเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่เป็นคนมีศักดิ์ศรีน้อยเป็นเทวดาหรือพรหมจนทั่งตลอดเข้าถึงถึงพระนิพพาน อย่าประมวลเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นประสูต์ความจริงก็นํามาจากพระสูตรตนเองมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้รับทราบเพราะว่าเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องนรกก็ดีมีความสนใจกันมากก็มีมากท่านเอกันที่มีความสง ส, งสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุ กลายเป็นว่าพระธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิยในตอนนี้เป็นเรื่องเล่านิทานสู่กันฟังแล้วดีไม่ดีนักเทศเสเองนั่นแหละเทศสอนชาวบ้านแล้วตนเองก็บอกบอกว่าไม่เชื่อเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้นี่มีอยู่มากที่จะมากล่าวนี้มีหลักฐานยืนยันเพราะว่าเคยเป็นนักเทศมาด้วยกัน เทศไปเทศมาก็ปรากฏว่าไม่เชื่อพระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียสเองเรื่องนี้มีมากฉะนั้นในวันนี้จะนำเรื่องบุพกรรมต้อขอกล่าวว่าเป็นเหตุของบุพกรรมมีความสำคัญกว่าไม่ใช่บุพกรรมแท้มาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟัง แต่บุพกรรมนี้ที่กล่าวในวันนี้จะปรารกเรื่องนรกก่อน <c oughs> สำหรับเรื่องนรกนี้องค์สมเด็จระชิาวรบรมศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงตรัสไว้กับภาษาริบุตร <c oughs> <c oughs> จึงมีมาในมูลบรรณาศักิมัชชิกายข้อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า ทางพระบาลีในพระไตรปิฎกฉบับชลกาสยามรัฐกามมีอยู่ว่าเมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรายกรรมสารีบุตรในมหาสีหนาฏสูตรว่าดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้จักชัดซึ่งนรกทางไปถึงนรก และปฏิบัติธาที่ให้เข้าถึงนรกอันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินด้วยประการใดเบื้องหน้าแต่ตายไปแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกตินิบาทนรกเราย่อมรู้ชัดสื่ประการนี้ด้วยดูก่อนสารีบุตร เรายังกำหนดรู้ใจเขาบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลปฏิบัติอย่างนี้ดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่ทางนี้เบื้องหน้าแต่ตายกายแตกเป็นแล้วจะเข้าถึงอบายและทุกติวิบาัมามนรกโดยสมัยต่อมา เราเห็นบุคคล น, นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะการแต่กายแตกเข้าถึงแล้วสงาบายทุกตินิบาทวินิบาละรกสวยทุกเวทนาอย่างแรงกล้าเพ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพยิยาขูอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนสาริบุตรเหมือนกับลุมฐานเพลิง ฤกือประมาณชั่วตัวคนเศษซึ่งเต็มไปด้วยฐานเพลิงราจากเพลวราจากควันลำดับนั้นมีชายคนหนึ่งซึ่งมีสรีระถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเน็ดเลยแสทกแสทานหิวกระหายมุ่งหน้ามายังหลุมธานเพลิงนั่นแหละโดยมักคาสายเดียว บุรุษผู้มีตาดีเห็นเข้าแล้วย่อมมีใจครุณากล่าวเตือนอย่างนี้ว่าดูก่อนผู้เจริญปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นจากไปลุมถ่านเพลิงนั่นแหละโดยสมัยหลังต่อมาบุรุษผู้มีตาดีนั้นย่อมเห็นเขาผู้ตกไปอยู่ในหลุมถ่านเพลิงนั้น เสวยทุกเวทนาอย่างแรงกล้าเปิดร้อนโดยส่วนเดียวอุปมาณีฉั้นใดดูก่อนสารีบุทเราแต่าค่อยก็เป็นเช่นเดียวกันย่อมกาหนดรู้ใจของบุคคลในบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นได้ขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้า แต่ตายเพื่อกายแตกจะเข้าถึงสิ่งทุกติ ว, วินิบาตและนรกเป็นตน้นโดยสมัยต่อมาเราตาคตได้เห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปแล้วเข้าถึงอาบายภูมิทุกติวินิบาตนรกเสวยทุกเวทนานแรงกล้า เพ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยที่ไปเจาะขูอนันบริสุทธ์ร่วงจากสุขมนุษย์ต <c oughs> ามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสตร์สันดาส ม, มาสุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกตามที่อ้างกล่าวถึงมันแล้ว เป็นอนุว่าองสมเด็จพระบทณฑแก้วทรงรับรองเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องพรหมเรื่องฟนิพานตามหลักฐานตามที่กล่าวมานี่เป็นอันว่านรกมีจริงตอนนี้ไปก็จะเว้นเครื่องเรื่องบุคคลตัวอย่างเพราะว่าเห็นว่าสมควรแล้ว จะนำเรื่องประสูตรตั้งแต่นรกถึงนิพพานมากล่าวกับบรรดาท่านหลายเพื่อเป็นแนวทางของการปฏิบัติความจริงนรกไม่มีจริงอาตมาขอรับรองที่กล้ารับรองก็เพราะว่าเคยตายไปเห็นนรกมาแล้วแลวก็นหลังจากการตายมาก็ได้ฝึกฝนจิตใจพอสมควร ตอนนี้ไปถึงไหนไม่บอกได้ขืนบอกก็เดี๋ยวจะมาไล่จับหาว่าอดอวดออตริมนุษยธรรมเจ <c oughs> นั้นหกว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังแล้วที่มีความสงสัยในพรธะธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็โปรดติดตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิแกว้วปฏิบัติในกสินบางบทบางตอนเพื่อทำทิพยคุ ย, ยานให้เกิดขึ้นตามหลักขวิชาสามหรือว่าจะฝึกจิตให้ได้มีฤทธิเรียกรนูว่าอาทิ ญ, ญาหก สามารถจะไปนรกสวรรค์ได้โดยตนเองหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีอยู่ออสมเด็จพระบรมครูมาในเทศทรงเดชนี่ก็หมายความว่าองสมเด็จพระบรมโลกในเทศมาพูดแล้วก็มีหลักวิสูจน์ในการสอนให้บรรดาท่านพุทธบริษทัทธ์หลายได้ประพฤติธปฏิบัติให้เห็นเองรู้เอง แต่หลักสูตรการสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี้มีจริงแต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงไม่ยอมนําหลักสูตรไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็มาบอกว่าองค์สมเด็จพระสง์สวัสดิ์ไม่ทรงแนะนํา สังสอนนร้อว่าพูดแล้วไม่เป็นความจริงตามที่เขากล่าวกันว่าเรื่องพระสูตรนี่เป็นเรื่องปรามปราไม่น่าเชื่อประ น, นิทานเล่ากันมาทีหลังถ้าว่าบรรดาท่า น, น, นหลายคิดอย่างนี้แล้วก็โปรดพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยการปฏิบัติจริงคือฝึกทิพยคุยาณให้ปรากฏหรือว่าฝึก อภิญญาสมาบัติใหปรากฏเมื่อดังสองอย่างนี้เป็นสมบัติในจิตของท่านท่านก็มีโอกาสจะเห็นสวรรค์ได้จะเห็นนรกได้เห็นพรหมได้เห็นเทวดาได้และก็เห็นได้ทุกอย่างแม้แต่นิพพานถ้าวิบัตสนาญาณของท่านเข้าถึงโคตรภูญานนับตั้งแต่โคตรภูญานเป็นต้นไป แต่ว่าวิธีฝึกอย่างนั้นทบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเห็นว่าจะยากเกินไปก็มีวิธีฝึกที่ง่ายกว่านั้นแบบฝึกมโนวิจิไม่ทราบว่าใครสร้างขึ้นแบบนี้สงสัยว่าจะมีพระรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งรวบรวมเข้ามาจัดปฏิบัติขึ้นเพื่อนักปฏิบัติได้วิสูต์ที่ตนเอง หรือว่าจะไปองค์สงเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้ที่ไหนแตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าผลที่ปลายกฏนั้นมีจริงเอากันแบบง่ายๆมีอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งท่านบอกว่าให้บรรดาท่านโูษจะฝึกจัดทูบสามดอก แล้วก็ดอกไม้สามดอกเทียนหนึ่งเล่มเงินหนึ่งสลึงมาตั้งไวศนาด้ฝึกคำภาวนาว่านามะพทะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องมีอาจารย์คุมในตอนต้นมิเช่นั้นแล้วก็จะเลืงกันดีไม่ดีก็จะเข้ารกเข้าป่าไป เมื่อบรรดาลุกสิทธ์นำเครื่องเส ก, การะมาพร้อมแล้วจุดธูปเทียนเสร็จพระอาจารย์ก็ทำนำมนต์ก็เป็นการคุมลุกสิทธ์ไม่จิตฟันเฟือนการทำน้ำมนต์ใช้บทพระอิทิปิโสพระกวาจงก็เท่าจบสามห้องหลังจากนั้นก็ใช้คาถาว่านโมพุทธายะ เปล่าลงไปที่ศีรษะเขาโรสิ์คนละสามครั้งเขียนกระดาษเขียนว่านัมโมพุทธยะให้โรสิทธิ์จุดทูกสามดอกปกักลงไปในกระดาษถ้าเป็นสามเหลี่ยมปิดไว้ที่หน้าแล้วก็ให้ภาวนาว่านามาพะทะวิธีนี้เคยฝึก อันดาท่านผู้บริษัท ต, ตั้งแต่เด็กเล็กแท้ยุจายุ7เจ็ดปีถึงห้าหกสิบปีก็เคยปฏิบัติได้ผลดีกันมาแล้วแต่ว่าตอนหลังเห็นจะเป็นว่ากำลังใจของอันดาประชาชนหลายต่ำลงฝึกกันเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีหลายปีมาแล้วเคยฝึกแต่ละปีคนที่ได้รับผลในการฝึกแบบนี้ สามารถท่องเที่ยวไปในพบต่างๆและเห็นได้โดยตนเองคนนั่งใกล้ๆถามได้ว่าเวลานี้พบอะไรแม้แต่ว่จะว่าจะโลกอือ่นอาโลกนี้ก็แล้วกันสมมติว่าท่านอยู่ทางภาคเหนือสุดของประเทศอยากจะทราบเบอรเพื่อนของท่านที่อยู่ใต้สุดของประเทศเวลานั้นเขาทําอะไรเขาคุยกับใครพูดกันได้เรื่องอะไร พยายามทำไปแล้วพิสูดไปไปตรวจดูแล้วก็บันทึกไว้วันเวลาเก็บไว้ให้ดีแล้วก็ในเมื่อมีโอกาสได้พบกันไปถามเขา้าเขาคนนั้นจะรับว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงนี่เป็นเรื่องวิสูตรจะบว่าวิสูตรเฉพาะสวรรค์นารกจะหาว่าโกหกกันต่อไปอีกีิสูตรกันในชาติปัจจุบันก็ได้แต่ก็อย่าลืมนะ ว่าท่านที่ปฏิบัติได้แบบนี้แล้วเขาไม่เล่นผู้ยีผู้ยำจะไปใช้วิธีการใช้การพ น, นันหรือว่าแข่งขันใดๆในกรณีใดๆก็ตามพวกนี้เนี่ยเขาไม่เล่นด้วยจะเข้าใจว่าเขาเป็นเด็กพอจิตเข้าถึงระดับนี้เขาก็เป็นผู้ใหญ่จะใช้วิชาพระ อ, องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาเสนานแต่เฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้น แต่ ว, ว่าวิธีนี้รู้สึกว่ายากจ่สนิดเหนื่อยหายใจก็เหนื่อยรู้สึกก็เหนื่อยอาตมาเองก็เลิกฝึกเสร็จแล้วที่มาบอกไว้ที่นี่นี้ก็หมายความว่าอนุญาตให้ทุกคนที่รับฟังแล้วเอาไปฝึกกันได้แต่ก็ต้องระวังถ้าหากว่าทํากันไม่เป็นจะเป็นบ้าเป็นบอขึ้นมาจะมาโทษกันไม่ได้ เวลาจะทำก็ต้องมีความเคารพในครูบาอาจารย์จริงๆครูใหญ่ยิ่งก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้มาตาราที่สองตำราที่สองนี่ได้รับหนังสือจากคุณมหาสิงห์หมื่นบุญตันและอะไรก็ไม่ทรานะบจะนําไปคุณว่ายังไงถ้าจะเป็นหมื่นบุญตันอยู่ แม่ห้องสอนไม่รู้ว่าเอานังสือเขาไปไว้สักที่ไหนแล้วสอย่าอยู่บ้านเลขที่อะไรแต่ก็เข็งก็ไม่อ่านไม่ออกเลขที่ห้าสิบสามตําบลทุ่งยาวใต้อาบ้านทุ่งยาวใต้ตําบลทุ่งยาวอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนได้จดหมายถามมาถึงมีธีที่ปฏิบัติให้แก่รู้สิ ว่าวิธีนี้เคยปฏิบัติให้แก่ลูกศิษย์มามากมีผลผลที่ได้รับก็คือให้ลูกศิษย์ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆแต่ว่ากกไม่ได้ใช้ไปในพบต่างๆโดยการส่งลูกศิษย์ไปเขาต้องและเวลาจะกลับเขาเรียกกลับได้ส่งจดหมายมาบอกว่าคาถาบทนี้ผมให้คนเข้าไปกันได้แต่ผมจะไปเองได้ไหมนี่น่าสงสัยเหมือนกัน ท่านอาจารย์ก็สสำคัญจริงๆทรงตำราได้ให้คุณอื่นเขาไปเที่ยวได้แต่ถ้าว่าตัวเองไปไม่ได้จึงได้นำมาทดลองฝึกกรรดาท่านพุทธบริษัทภายในก็ทำมาประมาณรักษี่ครั้งแล้วเพราะปรากฏว่าท่านปฏิบัติมีผลสมความตั้งใจ อันนี้สําหรับวิชานี้ท่านมหาสิงห์เขียนมาบอกว่าเวลาจะกลับตรงเรียกลับนี่แน่ๆเลยมันในเมืม่อนํา ม, ม, ม, มาไปสูรร์กัรรดาท่านพุทธบริษัทเรียว่าเวลากลับคอยกลับเองได้แต่การที่จะท่องเที่ยวไปก็จํากัดเขตไว้ก่อนเพือไปในส่วนของทางดีไม่จะไปในโลกนี้ตามที่เราปฏิบัติกันนั่นแหละ ที่คนได้ดีได้จริงๆเป็นคนแรกก็สองคนเลยกันคือวรชนีกับจิตรดาที่ธนัญไหลก็ทราบอยู่แล้วแล้วต่อมาในวาระที่สี่ก็ปรากฏว่ามีหลายท่านเลยกันได้เห็นอะไรต่ออะไรกันบ้างตามที่ไม่เคยเห็นถ้าสองคนนี้ท่องเที่ยวไปในพบต่างๆได้ทั้งสามพบขออยากจะบอกสามพบครึ่ง ไอ้เครื่องหนึ่งนั้นไปได้แต่ต่ว่ามัวไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าวิปัสสนาญาณยังอ่อนไม่มีที่นี่มีประโยชน์ตำราที่ธรรมหาสิงเขียนมาว่าอย่างนี้เห้ฝึกกันนั่นแหละของธรรมหาสิงเหมินบุญตันแม่หอกสอนคขาบอกว่าตำราที่ผมเคยใช้ก็คือหารดอกไม้สีขาวมาใส่ขันเทียนสองเล่ม เงินสามบาทผู้ต้องการจะนั่งไหวพระคําว่าไหวพระก็คือนำมาสการพระรัตนตรยัยแล้วก็จับขันเมื่อก็จับขันแล้วก็พระอาจารย์หรือท่านอาจารย์ก็สอนว่าวันทานะสุสิสิขาปัจขามิปัญจขามิเสสังมังคลังขะฉามิ ในเปล่าลงไปในขันสามครั้งเสร็จแล้วก็วางขันลงนั่งขัดสมาธิหลับตาว่าตอนนี้รูกสิท์ว่านะตอนแรกอาจารย์สอนจําไว้ดีนะตอนนี้รู้สิทย์ห ล, ลับตานะั่งหลับตาแล้วก็ว่าทุติยมปิพุทธังเมนาถังเมนาโถกรมทานะกรมฐานัง ข้าขอเข้าประมาทฐานและวิปัสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายทุติยมปีธรรมังเมนาทังเมนาถูกรรมฐานะกรรมฐานังข้าขอเข้าประรรมฐานและวิปัสนากรรมฐาน <c oughs> เดี๋ยวก็แกล้งก็แกล้เปิดสดาษที่อาจารย์เขียนมานเจ้าทั้งหลายให้ให้ตั้งใจมั่น อีนี่ถ้าใครจดไว้ถ้ามันสลับกันแล้วก็ปวดแก้ถูกต้องเลยนะแล้วก็ตาติยมปิสังคังมีนาทังมีนาถูกรรมฐานะกรรมฐานนั่งข้าขอเข้าไปรกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายให้ใจตั้งมัน่นเมื่อว่าจบก็ดิษฐานจิตตามความปรารถนาเมื่อจะไปได้ก็ล้มลงนอน ขณะที่เขาได้ฐานนี่ตั้งเขียนมาวว้งี้ผมก็เป่าด้วยคัตเอามมหินี่ใครยากจะเป็นอาจารย์แล้วก็จำไว้ลีนะเวลาที่โรสิทธิ์นั่งหลับตาตั้งใจอย่าไปจุดใดจุดหนึ่งอาจารย์ก็เป่าคือว่าคาถาว่าคัตเอามมหิคัตเชามมหินี่ให้โรสิตออกไป เมื่อจะเวลาจะเรียกกลับก็เรียกโดยคาถาว่าอาคัตเฉยยะอาคัตเฉยหิตเมื่อว่าคาถานี่แล้วเรียกเรียกชื่อเขาเขาก็ตื่นที่มีความรู้สึกตัวขึ้นเป็นอันว่าคาถาที่เราปฏิบัติกันเป็นคาถาที่จากท่านมาหาสิงเนื้ที่ทากันจากท่านมาหาสิงหมื่นบุญตันส่งมาจากแม่หงสอนเวลาที่ท่านหลายจะทำกันแล้วก็ นึกถึงทรานมหาสิงห์ด้วยท่านเป็นครวาดแต่ว่าสามารถให้คนไปเที่ยวได้แต่การได้เที่ยวของท่านก็เที่ยวในภพนี้ไปในโลกมนุษย์ไปโน่นบ้างนี่บ้างตามเรื่องตำราวที่ท่านจะมีความเข้าใจแต่ดูว่าในเมื่อเรานำมาประกพำฝึกกันแล <c oughs> ้วก็ใช้วิธีสม่ยแทนี่ไปในภพนี้ก็ไปในภพต่าง แด้ก็เป็นที่น่าดีใจที่สองคนแรกคือรัชนีว่าจิรดาสามารถท่องเที่ยวไปในภูมิเขาสวรรค์กามาวาจโรโทมลกและก็ที่อื่นนอกจากนั้นแล้วก็ยังไม่ไปในรกแล้วก็มีหลายคนที่ฝึกทำได้ ความจริงวิชาความรู้ขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศักดิ์สันดาห์ยังมีมากที่เราเก็บมายังไม่หมดเป็นอนุน ว, วิชานี้แตหากว่าบุคคลใดมีความสงสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคต์ทพระพุทธเจ้าเรื่องนรกคนดีเรื่องเปรย์คนดีอสุเดกายคนดีเรื่องเทวนาคคน ด, ดีเรื่องพรมคนดีและเรื่องนิพพานคนดี หากว่าท่านสงสัยในเรื่องนี้แล้วก็ขบัรดาเถิดพุทธบริษัทที่สงสัยหรือว่าไม่สงสัยก็ตามใจเถิดสงสัยหรือไม่สงสัยก็ไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าต่างคนต่างฝึกกันเสียให้ได้แในเวลาฝึกก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยเรื่องราวของพุทธศาสนาอย่าทำกันไปเล่น ถ้าว่าไม่มีความเคารพ จ, จริงๆบางทีท่านจะต้องเป็นโรคประเภทที่ดีกว่าหมอแก้ไม่หายทั้งนี้เพราะอะไรพระวันเหลืองใจจนเกินไปการที่นำเรื่องนี้มาพูดให้แก่บรรดาท่านทั้งหลายฟังเพราะว่าขี้เกียจเจ็บป่ิดวิชาความรู้ เรื่อวิชาวความรู้ที่จะฝึกกันแบบนี้มันยังมีอีกมากแต่ว่าวิชานี้รู้สึกว็ง่ายดีและก็ไปไดรวดเร็วอาจารย์ผู้ฝึกก็ไม่เหนื่อยสำหรับลู้ศิษยทุกหาถ้าว่าจะสงสัยจะถามว่าเวลาจะฝึกทุกครั้งจะต้องให้อาจารย์เป็นผู้ควบคุมเสมอหรื อ, อยังไงก็จะขอตอบว่าไม่มีความจำเป็น ถ้าหากว่าท่านมีสมาธิคล่องตัวเป็ น, นเพียงว่าท่านต้องการจะไปไหนเมื่อไรเข้าไปไหนเมื่อไรที่ไม่เจีะหัวเพื่อจะถามวม่าถอดอาทิตสมาในกายที่เรียกว่าทอดจิตไปที่นั้นได้ทันทีตามความต้องการแน่ว่าท่านจะถามว่าถ้าจะไปเมื่อไรต้องล้มเสมอหรือ ก็จะต้องขอตอบ ว, ว่ามันจะลมตปเพราะเวลาฝึกใหม่ๆเท่านั้นถ้ากำลังใจก็ม ม, มันดาท่านพุทธบริษัทมีจิตเป็นฌานทรงตัวเมื่อไรเมื่อนั้นบรมันดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายจะใช้วิชานี้ไปสำรวจตรวจสอบสถานที่ใดก็ได้ ในมนุษย์โลกก็นได้เทวโลกกันได้พวมธโลกกันได้ย ม, มโลกกันได้และที่อื่นนอกจากนี้ก็นได้ถ้ากำลังบุญบารมีของท่านถึงมีการไปเบื้องสูงเป็นการวัดความดีทางจิตใจถ้าจิตใจของเรามีความดีถึงขั้นกามาวาจรสวรรค์เราก็เที่ยวได้แค่สวรรค์ แต่ความดีของเราเข้าถึงพรหมมรรคเราก็ไปเที่ยวได้ที่พรหมโรกแต่ความดีของเรายิ่งไปกว่านั้นเราก็ไปสูงกว่านั้นได้เรงว่าถ้าว่าจะถามว่าไปดูนรกได้ไหมันบอกว่านั่นเรื่องเล็กแต่ว่าใหม่ๆยาเพึ่งไปกันถ้าตกใจจะลาบากฮาลาวันดาท่านพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระผู้ทมีพระภาค เป็นอันว่าวันนี้ก็เพียงแต่นาบาลีพระองค์สมเด็จพระจินทร์ีมายืนยันว่าเรื่องนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็คําแนะนําพระองค์สมเด็จพระโทนสวัสดิ์เพื่อจะเที่ยวนรกสวรรค์มีอยู่หาว่าท่านทั้งหลายสงสัยในคํา ส, สั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมครูหรือว่าไม่สงสัยอยากจะไป ถ้าฝึกวิชาสาอวิญญาหกตามแบบรกรรมฐานสี่สิบไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ก็มีผลแล้วก็มีผลเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้เวลาก็หดนดเสแล้วต่อที่นี้ไปขบันดทรรา ท, ท่านพุทธบริษัททุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับการฟังคำสมาทานรกรรมฐานต่อไปเพราะเวลาคลู่หนึ่งนะาอเราเวลานิดหนึ่ง